พาไปเหนือพาล่องใต้พาไปพบสูงพบต่ำพบน้อยพบใหญ่เนี่ยนะตัณหานั่นแหละมันพาไปไปเพื่อจะชมรูปชมเสียงชมกลิ่นชมรสชมโพธิพชมธรรมารมมันก็เลยกระแสคือตัณหาพาพาไปอปงคกรุณาวโลกสันนิวาตเนี่ยถูกตัณหาเป็นเครื่องคล้องคล้องเอาไว้เรต้องนึกถึงว่าใครที่เคยเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะเลี้ยงสุนัข ก, ก็สุนัขถูกล่ามโซ่พาดึงไป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 นะขึ้นจากเขาจะได้ตกเหวเลยตกเหวไปสู่นรกเลยนะขึ้นสู่ก็ขึ้นสู่นรกบ้างสู่เปรตบ้างเดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างน้อยนะักที่จะไปเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นสู่คติห้าโลกสันนิวาสกาหนัดอยู่ด้วยกามคุณห้ากำหนัดติดพันยอยู่ด้วยสิ่งที่ร้อยสิ่งที่รัดสิ่งที่มัดเอาไว้ในสิ่งที่น่าปรารถนาะ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 คือโดยย่อก็อุเฉทิฐิกัสัตาทิตินั่นแหละมันกลุ่มรุมโลกสันิวาร้านไปเพราะอนุัสเจ็ดคืออนุัสคือกิเลส ท, ที่มีกำลังมีการมราคาอนุสัยเป็นต้นเนี่ยนะานไปตลอดเวลาโลกสันิวาถูกสังโยชเจ็เกี่ยวคล้องนะเกาะเกี่ยวก็คล้องเอาไว้เหมือนกับว่าสุนัขถูกล่ามโซเอาไว้ยางนั้นะ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 ได้รับการนินทาได้รับการว่าร้ายได้รับความเสื่อมยศก็เร่าร้อนเดือดร้อนกวนกยเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้รับโลกกระทำฝ่ายร้ายก็แสวงหาแต่โลกกระทำฝ่ายดีเมื่อถูกนินทาก็แสวงหาคําสรรเสริญเมื่อรับความทุกข์ก็แสวงหาความสุขเมื่อเสื่อมยศก็แสวงหายศแสวงหาบริวารเนะเมื่อเสื่อมลาบก็แสวงหาแต่ลาบเป็นต้น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 โลกสันนิวาเนี่ยใช้ชีวิตประกอบด้วยอากุศลกรรมบทเสพใช้ชีวิตอยู่ด้วยปาณาติบาตมั่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยอาทนาทานใช้ชีวิตอยู่ด้วย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 พระองค์นี้เป็นสฉำภูตรัสรู้โดยไม่มีอาจารย์สั่งสอนก็ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยพระองค์เองทั้งๆ ท, ที่ทำเหล่านี้พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้สดับมาก่อนพระองค์ก็บรรลุถึงความเป็นสัพพันธ์ยู่รอบรู้ในธรรมทั้งหมดเหล่านี้ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ชํานาญในพละโดยเฉพาะยาณภนะละทั้งหลายกําลังคือปัญญานี้พระองค์เชี่ยวชาญชํานาญ เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ผู้มีอนุภาพอันหาอุปมาไม่ได้อย่างนี้